ดูก่อนอนอนลโดยปริยายแม่นี้เพื่อทราบว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้พรมเป็นพรหมจรรทั้งสิ้นทีเดียวดูก่อนอนอนลด้วยว่าอาศัยเราเป็นมิตร ด, ดีสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเกิดได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพ้นจากความแก่ได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความเจ็บป่วยได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความตายได้สัตว์ทั้งหลายผู้มีความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมหลุดพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความขับแคนใจได้ ดูก่อนนโ น, นโดยปริยายนี้แหละเพิ่งทราบว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที่ดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งเส้นทีเดียวนั่นแหละอันที่ดูนะว่าพระองค์เนี่ยเจึงสอนให้เจริญอนุสติเสพใช่ให้ได้ละลึกนึกถึงคนที่ดีๆเข้าไว้นะทีนี้ของของยุคนี้แปลกนะเอาส่วนใหญ่ในใจอนุสติทั้งคนชั่วเอาแต่ตัวอย่างคนชั่วมาว่า แต่ถ้าในคำสอนนะพระองค์สอนเรื่องการคิดเหมือนกันนะให้ระลึกอะนะแต่เป็นระลึกถึงคนดีๆเช่นคนที่ดีชั้นหนึ่งที่ควรคิดก็คือพระพุทธเจ้าอรหังเป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้ท่านทำไมท่านจึงเป็นพระอรหันต์ก็เอามาคิดแบบนี้เยอะๆคนนั้นเรียกว่าเจริญพุทธคุณหรือโอสวาคขาโตภควะตาธรมโมพระธรร ม, ม, รรมตรัสว้ดีแล้ว พระสูตรที่หนึ่งทำมจากกับประวัตินสูตรก็แสดงไว้ดีแล้วเงี้ยเราเอามาตื๊ดเอามาคิดทำมาจากว่ายังไงบ้างนั่นแหละก็เป็นธรรมานุสติหรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลมีอาจารยมีมารยาทมีโคจรที่เที่ยวไปดีมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติมีวิมุตติญาณทัศนนะโอ้ท่านดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราก็นึกถึงท่านอย่างเงี้ยกระบว่านึกถึงคนดี าหาว่าดีขนาดนั้นไม่ได้เอ้เรารักษาศีลข้อไหนมาก็เนิบเถึงศีลบ้างหรือนึกไม่ได้นึกถึงทานก็นได้ผูกการบอถนนสายไหนไม่เคยให้ทานนี่หายากเหมือนกัน อ, อ, อแล้วลึกถึงทานกันแล้วกันปลายสัตว์ครับอแล้วเนิบถึงปลายสัตว์เนาะครั บ, ค, รบคือพอพูดถึงตรงนี้ผมทําให้ผมนึกถึงว่า พ, าพระไตปิดกบางบางท่านอาจจะคิดว่ายากที่จะอ่านใช่ไหมครับแต่มีเล่มที่อ่านง่ายๆเกี่ยวกับประวัติพุทธศาอ่า กับพระษาวกทั้งหลายนะมีเยอะถ้าท่านอ่านแล้วนะครับแล้วท่านก็จําได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลึกถึงคุณพระสงฆ์เนี่ยนะครับ<ม>ท่านเราลึกถึงคุณความดีของแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์นะแตกต่างกันไปนะฮะ<อ>ผมว่าไม่เร็วทีเดียวนะเพราะฉะนั้น<อ>ในพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในไหนมั้งครับต้องต้องดูว่าอัธยาศัยแท็กเกริรนเกี่ยวกับอนุสติเนะี่ยก็อ่านเช่นเทรคถาเทรีคถาก็ได้นั<ม>่นแหละถ้าเป็นผู้หญิงก็อ่านเทรีคถาก็ดีนะครับ ไม่มีเลือกสิทธิ์ น, นะนะแล้วแต่ว่าศรัท ธ, ธาบางทั้นเแตาว่ า, <ท>าเป็นเร า, าศารัทธาธรรมะในหมวด น, น, นั้นก็ได้ซึ่งพระไตรปิฎกของฉบับมหมามกุฏนะเขาดีว่าเขาแยกเล่มขายด้วยเพราฉนั้นถ้าเราไม่พร้อมที่จะเอามายกชุดเลยก็ไม่เป็นไรนะพระวินัยก็เอาไว้ให้พระท่านศึกษาก็ได้แต่ถ้าเรามีเวลาควรรู้ดีนะควรรู้ไว้แต่ถ้าหากว่ายังไม่มีเวลานะก็อ่านพระสูตรอ่านธรรมะ แล้วก็ธรรมะเราก็ซื้อเป็นเล่มก็ได้สั่งซื้อทางไปรษณีย์เขาก็ส่งมาให้ถ้าเราไม่อ่านแล้วตอนนี้จะไปเริ่มตอนไหนครับดูก่อนมหาบาพิษอันนี้เรื่องนี้พระพุทธเจ้ากําลังตรัสกับพระเจ้าประเปรตที่โกศลอยู่นะเดี๋ยวยพระองค์ตรัสกับใครอยู่เนี่ยแต่ว่าพระองค์ลกเรื่องของพระอานนท์ขึ้นมาเป็นตัวอยา่างดูก่อนมหาบาพิษเพราะเหตุนั้นแหละพระองค์พึงสมเนียก คือพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดีดูก่อนมหาบาพิษพระองค์พึงสำเนียกคือศึกษาอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าเปรตที่โกศลให้ศึกษาเพื่อที่จะเป็นผู้มีมิตรดีนะให้ให้รู้จักคบมิตรนะดูก่อนมหาบาพิษ ธรรมะอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายพระองค์ผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดีพึงอาศัยอยู่เถิดนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเจอมิตรดีแล้วก็จะไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งหลายก็คือไม่ใช่อันเดียวอ่ะทานกุศลสีละกุศลนะสัตธรรมะสวัสกุศลก็ได้เออ พระเจ้าประเสตที่โกศล น, นี่บ้านปลายนี่ท่านได้ได้ได้สําเร็จเป็นพระญาติบุคคลอะไร้างหรือเปล่าครับผมลุ<า>งไม่เคย<า>ไเคยกล่าวว่าท่านคือพระโพธิสัตว์พระเจ้าประเสตทีิโกศล น, นั้นปรารถนาเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็คงอีกไม่นานรู้สึกหลังภาษีอ่านได้ไงท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปคือเมื่อเทียบพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งต่อองค์หนึ่งเนี่ยไม่นานนะ นะก็คือองค์ ต, ต, ต่อไปข้างหน้าอีกอะ่ะไม่เป็นไรนะเราข้ามท่านี้ไม่ได้ก็คอยท่าใ ห, าหมอ่อีกดูก่อนมหาบพิตเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทหมู่นางสนมผู้ตามเสด็จจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทท่ากันนั้น แม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทนะถ้าพระองค์ไม่ประมาทสักคนเดียวอ่ะนอะสนมกำนันที่ติดตามก็ไม่ประมาทด้วยดูกรมหาบาพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมากทกษัตริย์ทั้งหลายผู้ตามสเสด็ดจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาท ถ้ากันนั้นแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทนะคือกษัตริย์ทั้งหลายแหละนะที่ที่ติดตามก็จะไม่ประมาทด้วยดูก่อนมหาปิฏเมื่อพระองค์ไม่ประมาทประมาทเป็นยังไงนะปล่อยกายวาจาใจให้เป็นไปกับทุจริตหมกมุ่นในกามคุณห้าไม่ทำกุศลอย่างต่อเนื่องนั่นแหละเรียกว่าประมาท เมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทแม้กองทัพนะคือข้าราชการฝ่ายทหารก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทถ้ากรณนั้นแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทด้วยโอ้กองทัพก็ไม่ประมาทเหมือนกันนะถ้าพระราชาไม่ประมาทดูก่อนมหาบพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาท แม้ชาวนิคมและชดชาวชนบทก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระราชาเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทถ้ากันนั้นแม้พวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทดูก่อนมหาบพิษเมื่อพระองค์ไม่ประมาทอาศัยความไม่ประมาทแม้พระองค์ก็จะเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองแลว้วใช่ไหมถ้าไม่ประมาทก็เชื่อว่าคุ้มครองรักษาตัวเองแล้ว ได้รับการรักษาแล้วแม่หมู่สนมก็จักเป็นผู้ได้รับการคุ้มครองแล้วได้รับการรักษาแล้วแม้เรือนคลังก็จักเป็นอันได้รับคุ้มครองแล้วได้รับรักษาแล้วและผมก็ตัดเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุคคลผู้ปรารถนาโภคะอันโอรามต่อๆไปคืออะว่าปรารถนาทรัพย์ที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นขนอ่ะพึงบำเพ็ญความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลายย่อมสารเสริญความไม่ประมาทในบุญยากิริยาทั้งหลายบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเพราะยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ผู้มีปัญญาจึงได้นามว่าบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้ที่ยึดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายพระองค์เนี่ยถ้าตรัดกับพระเจ้าประเสรที่โกศล ส, ส่วนใหญ่ไม่ได้น้อมไปอย่างนิพพานเลย แต่ก็ตราดเพื่อเป็นเป็นส่วนที่จะให้พระเจ้าเปร์เซนที่กุศลนั้นบำเพ็ญบารมียิ่งๆขึ้นไปอีกทำยังไงที่จะหาเหตุยังไงให้เจริญกุศลมากๆขึ้นซึ่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์นั้นจะมีคุณธรรมอยู่สองอย่างคือหนึ่งไม่สันโดษในกุศลธรรมสองก็ไม่ทิ้งความเพียรและพยายามาคือลักษณะของสตินนะมีอยู่ที่สูตรหนึ่งว่า คนที่มีสติคืคอคนที่ระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดได้แม้นานแล้วเฉะนั้นคนที่มีสติก็คือมันคล้ายๆกับคนฉุกใจคิดได้อ่ะว่าอะไรดีอะไรชั่วลักษณะของสติมจะเป็นอย่างนั้นนะคือประมวลเรื่องราวมาได้เลยว่าในกิจนั้นนนั้นควรทํำยังไงเพราะสตินี้เป็นเป็นตัวที่รู้ว่านี้มีโทษสตินี้รู้ว่า นี้มีประโยชน์นะสติรู้ว่านี้ถ้าไม่อบรมตัวนี้เสื่อมแน่นะสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาวันสตินี้จะมาในรูปแบบความไม่ประมาทนั่นแหละความไม่ประมาทก็ได้ว่าให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดีลักษณะนี้เป็นเรื่องของสติวันสตินั้นจะมีผลมากต่อเมื่อมีสัมปชัญญะสี่ประการเข้ามาเพราะะฉนั้นสติบอกเตือนเราว่าถึงเวลาต้องให้แล้วนะ ถึงเวลาต้องให้ทานแล้วนะจะทานถึงเวลาต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเขาแล้วนะถึงเวลาต้องเว้นทุจริตแล้วนะวจีทุจริตกายทุจริตสติทั้งนั้นเลยนะอันที่จริงนะ เ, เรื่องศีเนี่ยนะสติเห็นชัดเจนเลยเนะี่ยสติมาทันปั๊บนะเรายังยังการพูดที่เป็นวจีทุจริตได้ทันเลยนะแต่ถ้ามาไม่ทันก็พลั้วไปเหมือนกันนะนะ ถ้ามาไม่ทันนะมันออกไปเลยนะใช่แต่ถ้ามาทันเกือบหึ่มเกือบหลุดเปล่าไปแล้วอะ่ะเจ๊ไหมกระแสทั้งหลายในโลกนี้กระแสคือกระแสตัณหากระแสวิชากระแสทิฏฐิกระแสทุจริตและก็กระแสอวิชากระแสทั้งหลายเหล่านี้สติเป็นเครื่องกัน้นนะกระแสทั้งหมดเหล่านั้นอันบุคคลพึงปิดได้ด้วยปัญญา พันสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสถ้าคนมีสติจริงนั้นจะกั้นบาปอากุศลนั้ น, น, นได้แต่ถ้าไม่มีสตินะสติหลุดอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยเพราะนั้นคำสอนส่วนใหญ่จะสอนลักษณะว่ามีสติเว้นรอบคือไม่มีขณะไหนที่ไม่มีสติไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะทำจะคิดก็บอกว่าตอนเช้าสายบ่ายค่ากลางคืนและกลางวันตลอดปัก ตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็ตลอดปฐมวัยวะมัชิมวัยและก็ปัจฉิมวัยแม่กลางคืนเลยนึกถึงแบบย้าๆอย่างเนาเอย่านไไอันน่ะทีนี้ก็เรื่องของกาลยานมิตรนะจากอัตกะถาปรมัตถีปณีอัตกถ า, าอิติวุตกกนี้กล่าวว่ากาลยานมิตรตาได้แก่ บุคคลที่สมบูรณ์ด้้ยคุณมีศีลเป็นต้นนะผู้ที่มีคุณธรรมลักษณะนี้เนี่ยนะตัวตัวกัลยาณมิตรเนี่ยตัวเขาเองต้องเป็นคนที่มีศีลเป็นต้นและเป็นผู้กำจัดความชั่วร้ายเป็นผู้ส่งเสริมประโยชน์เป็นมิตรมีอุปการะทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตรนะ ตัวเขาเองต้องมีศีลสมาธิปัญญาคุณธรรมเหล่านี้และอะไรที่เป็นความชั่วนะเขาจะคอยปัดเป่าให้อะไรที่เป็นความเจริญเขาจะส่งเสริมสนับสนุนทาให้มากอะไรที่สมควรช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาจะช่วยทั้งหมดเลยอย่างที่เชื่อเป็นกัลยาณมิตรฉั้นตามปกติกัลยาณมิตรนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนะคุณธรรมของกัลยาณมิตรหนึ่ง ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. ถึงพร้อมด้วยศีล 3. ถึงพร้อมด้วยสุตตะ 4. ถึงพร้อมด้วยจากขะ 5. ถึงพร้อมด้วยวิริยะ 6. ถึงพร้อมด้วยสติ 7. ถึงพร้อมด้วยสมาธิและ8ถึงพร้อมด้วยปัญญา อธิบายตามลำดับว่ากาลยา น, นมิตรนี้เพราะถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือตัวกาลยา น, นมิตรนั้นย่อมเชื่อการตรัสรู้ของพระตถาคตซึ่งพระตถาคตเนี่ยไม่ยอมสละการสแสวงหาประโยชน์สุขในสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะการตรัสรู้ชอบนั้นคือเขามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นอะ่ะตรัสรู้อริยสัจเนี่ชอบแล้วและพระพุทธเจ้าเองนั้นอะ่ะ แสวงหาประโยชน์ศึกทำยังไงสัตว์ทั้งหลายจึงจะรู้อริยสัตว์ได้เขามีศรัทธาในพระคุณทั้งหลายเหล่านี้ของพระตถฐาคตดเจ้าอย่างนี้ชื่อว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศรัทธานี่นะคุณที่หนึ่งของกัลยาณมิตรสองกัลยาณมิตรนั้นถึงพร้อมด้วยศีลศีลก็คือถ้าตามสมควรแก่เพศนะแก่เพศยังไงหญิงชายหรือเปล่า ใช่ก็คือนักบวชกับคารวาสอย่างนั้นเถอะเพราะมีศีลนั่นแหละจึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพของเพื่อนพรหมจารย์ทั้งหลายเขาเคารพเขาย้ำเกรงกันด้วยด้วยศีลและก็เป็นผู้น้ายกย่องแล้วตัวท่านเองเนี่ยเพราะความที่ท่านมีศีลลักษณะนั้นท่านจึงคอยตักเตือนและตำหนิบาปคอยกล่าว นะคอยว่ากล่าวและก็เป็นผู้ที่อดทนในถ้อยคำคือไม่โกรธอย่างนั้นเลยนี้เ็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีมีศีลลักษณะคนมีศีลนะสังเกตที่ฮิริโอตะ ป, ปะถ้าผู้ใดไม่ค่อยมีฮิริโอตะ ป, ปะแสดงว่าคนนั้นศีลไม่มีเพราะเหตุใกล้ของศีลก็คือฮิริโอต ป, ปะต่อไปนะว่าคุณธรรมที่สามเพราะถึงพร้อมด้วยสุตตะ จึงเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่ลึกซึ้งนะคนนั้นต้องศึกษามามากพหุสูตรอะพหุสูตรก็คือผู้ที่สังสมสุตตะมีความรู้ความเข้าใจพอกพูนอย่างเช่นพระอ น, นุ์เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ทรงสุตตะนะคล่องปากขึ้นใจแล้วก็ตามเพ่งด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิตามเพ่งด้วยใจะนะ ตรงนี้ก็คือผู้ที่สามารถกล่าวถ้อยคําที่ลึกซึ้งนะคือคือกาลยานมิทีปถึงพร้อมด้วยสุตตะนั้นท่านนั้นจะต้องพูดเรื่อง<ค>เรื่องที่ลึกซึ้งอะไรคำภีโรคำภีระเรื่องอะไรบัางที่มันลึกๆึกหน่อยอ่ะ<ค>พอได้เหมือนกันนะเช่นเรื่องของขันนะนะเรื่องของขันนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ ง, งที่ดูพอพูดถึงคําว่าขันบัฟเนี่ยนะเราไม่ไม่นึก อันน่ะดอยสุเทพเ น, นี่ยนะภาพจะมาโตเลยใช่ไหมขันมันอยู่ตรงไหนวะ ห, หายากมันต้องคิดหาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจดีย์อย่างเงี้ยเจดีย์หลวงเนี่ยภาพชัดเลยนะวิญญาณขันชัดไหมเงียบความชัดเจนมันต่างกันนะั้นสิ่งเหล่านี้จึงลึกซึ้งนะอายตนะ คาว่นะาอายตนะก็ยากคิดหายไหมคิดหา ย, ยไหมเนี่สีเออชายช่ยสีสีสจักขายาติอ า, าอรูปาอายตนะง่ายกว่าขันนะแสดงว่าสะสมเรื่องอพวกนี้ติดเรื่องรูปมากถ้าคนที่ติดนามะอกค์จะสอนเรื่องเรื่องขันผู้ที่ติดรูปมากแสดงเรื่องอายตนะแต่คนที่สนใจความจริงมากก็จะสอนเรื่องสัจจะนะอย่างอริยสัจนี้เป็นของที่ลึกซึ้ง เงหรือไม่ซึ้งอ่ะพอพูดถึงคำว่าสัจจะปั๊บเราคิดถึงอะไรสัจจะความจริงอะไรจริงจริงแค่ไหนนั่นแหละอ่าเห็นง่ายกับคันไม่เป็นไรเอางั้นพ่อภูนริยสัจกับอายตนะมากๆนะและต่อไปนะปฏิจจสมุญบากมองเห็นไหมอันนี้ง่ายเลยนะอ่าข้อไหนง่ายคือสงสยัยมานานแล้วว่ะ ช่วงที่ว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนี่นะครับตอนนี้ช่วงที่ว่าอุปาทานทําให้เกิดภพเนี่ยครับนี่นะฮะเจ้าทสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันน่ะคือเจตนานะครับอ่าคืออวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้ทํากรรมใช่ไหมครับแล้วก็อ่าพูดถึงว่าตัณหาหรือว่าอุปาทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้ก็ พบก็คือทำกรรมอีกครัแต่ทําไมจึงใช้คําพูดต่างกันเขาบอกว่าการต่างกันด้วยนะ ถ, ถ้าแสดงอีกในหนึ่งนะเพราะว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยเสศสังขารถ้าใช้ศัพท์นี้เน้นไปที่อดีตแต่ถ้าใช้คําว่าตันหาเป็นปัจจัยแก่แก่พบหรือเป็นปัจจัยแก่เจตนามุก ม, มาในขณะนี้แม้กระ น, นั้นเนี่ยคือต่างกันโดยอัตตาใช่ไหมครับต่างโดยอัตตาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต่างโดยพยัญชนะ แต่ถ้าพูดแบบประมวลแล้วไม่ต่างกันแต่ทำไมจึงไม่กล่าวว่าตัญหาเป็นปใจใัจจัยเกิดสังขารใช้คำว่าพบเนี่ยจะตรงนี้เนี่ยจะชัดเจนเพราะว่าถ้าใช้คำว่าพบเนี่ยพบมีสองความหมายใช่หัหยคือกรรมาพบกั บ, บอุปัติพบแต่ใช้คำว่าสังขารเฉยๆก็กินไปแค่เจตนาเท่านั้นเอง ถือว่าตันหาเป็นปัจจัยให้แก่เจตนาหรืออุปาทานเป็นปัจจัยแก่เจตนาเท่านั้นแต่ถ้าใช้คําว่าพบเนี่ยมองได้กว้างเพราะว่าคนหนึ่งจะมองมาที่เจตนาเสร็จแล้วก็เลยไปที่คือพบมีสองคำใช่ไหมเลยมาที่ตัวกรรมมพบกับอุปาติภพแต่ในปฏิจจทูปะท่านกล่าวถึงกรรมมพบเท่านั้นไม่ใช่หรอครับอ่าสองอย่างเลยเจนนนท์เรียกว่าให้เกิดกับ ตัวให้เกิดกับย่อมเกิดอ่าตัวให้เกิดได้แก่กรรมภพตัวที่ย่อมเกิดคือตัวเกิดก็คืออุปาติภพนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี่เอาทั้งสองอย่างเลยคือตัวอุปาติภพหรือหรื อ, อบุญภพเนี่ยหมายหมายความว่าเป็นสถานที่แล้วใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่มีแล้วใช่ไหมครับคือคือหมายถาว่าตาหูจมูกเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับอออย่าง ยังยังไม่เกิดถ้าเกิดแล้วก็แสดงว่าเราไปมีบุคคลหนึ่งรออยู่ข้างหน้าไปเรียบร้อยแล้วอสมมุติว่าเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์ปั๊บเนี่ยแสดงว่าเราไปอยู่ในท้องแม่ไว้รอเราเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่ครับหมายความว่าช่วงที่ว่าอุปาทานทําให้เกิดภพนี่นะครับเจนท์พาเพราะว่าตันหาอุปาทานเนี่ยทําให้เกิดกระทํากรรมนี่ไม่สงสัยเจนท์พาใช่ไหมแต่ตันหาอุปาทานนี่นะครับเป็นปัใจจัยให้ เกิดอุปัติภพเนี่ยอะไรครับอะไรครับถ้ารรตามลักษณะของกรรมปับ๊บนะเหมือนกับเรายินดีในความเป็นมนุษย์เนี่ยยินดีในมนุษย์เนี่ยไอความยินดีอันนี้ได้แก่อุปาทาน uh เป็นกามอุปาทานพอยินดีอย่างนี้ปุ๊บนะยินดีในความเป็นมนุษย์ปั๊บอย่างในทานนะกุศลเป็นต้นศีลกุศลครับภาวานากุศลเสร็จแล้วกุศลตัวนี้เนี่ย ข้อนะตันหาตัวนี้หรือตัวอุปาทานเป็นเป็นปัจจยัยอตัวพบตัวนี้ก็สามารถที่จะย่างลงในอุปติพบนนะีะเขาเรียกว่าพอที่จะปฏิสนธิเป็นมนุษย์ได้เขาเรียกว่าต้องต้องมองสองชั้นนะมองอเพราะอุปาทานเนี่ยนะเป็นเป็นตัวคือตัวปรารถนาหรือตัวยึดเจตนาก็เกิดเพื่นปับ๊บเพื่อสมควรแก่แก่ความปรารถนานั้น ทัในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นเรื่องที่ที่ลึกซึ้งนะผู้ที่สามารถกล่าวถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทลักษณะนี้ได้ก็คือเป็นกัลยาณมิตรที่ถึงพร้อมด้วยด้วยสุตตะนะซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเราก็เรียนทุกวันสาวนะก็บอกโทสะเกิดดับใช่ไหมถ้าใครบอกโทสะอุปาทิตฐิพังคะเกิดดับแน่นอนถ้าปล่อยให้มันเกิดสองชั่วโมงนี้เจ๊ง แย yeah. เพราะโทสะเกิดเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมถ้าจะดับดับด้วยปัจจัยปัจจัยที่ทําให้โทสะไม่มีหรือดับปัจจัยก็คือเมตตาเป็นต้นนั่นแหละไม่ใช่บอกโอ้เดี๋ยวพังค่าขนาดมันก็ดับมันเองอหะไม่ไม่ไม่พบนะลักษณะดดนี้จะเห็นว่าสันตติเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นชัดเจนเลยเจนพอใช่ไหมตราบใดที่อารมณ์นั้นน่ะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของโทสะ ตราบใดที่รูปารมณ์นั้นยังไม่ดับหรือว่ายังมีอยู่เรื่อยๆยัง <ๆ S 2> ย, ยังใส่ใจในปฏิฆะมยังมีอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับเ ข, เขาเรียกว่าถ้ายังใส่ใจในปฏิฆะนิมิตอยู่โทสะก็จะเกิดไปอีก น, อนอ้อนั่นแหละแต่ถ้ามันดับมันก็ดับด้วยเหตุปัจจัยมันดับอคือถ้ามันจะดับเพราะไม่ใส่ใจในปฏิฆะนิมิต น, นะแต่ไม่ใช่อุป า, าทิฏฐิพังคะอ๋อไม่ใช่แน่นอนอันนี้คงว่าพระสมควรแก่เวลาแล้วนะฉะั้นขอให้รู้จัก ประทับคำสอนรู้จักกาลยานมิตรก็อนุโมทนาด้วย